ทรง อ, อนุญาตให้ภิกษุเป็นไข้พิงไฟได้351สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเป็นไข้พวกภิกษุผู้มีหน้าที่สอบถามอาการไข้ได้กล่าวกับพวกภิกษุเป็นไข้ดังนี้ว่าท่านทั้งหลายสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือพวกภิกษุตอบว่าเมื่อก่อนพวกกระผมก่อไฟพิงดังนั้นจึงมีความผาสุกแต่เดี๋ยวนี้พวกกระผมมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้จึงไม่พิงไฟ ดังนั้นจึงไม่มีความผาสุกภิกษุทั้งหลายได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข่ก่อไฟหรือใช้ให้ก่อไฟพิงได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้